ผู้ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะได้เวลาทองของ ท, ทุกท่านอีกแล้วนะคะกับการที่เรากำลังจะได้เข้าไปเสดคํคำสอนของพระาศาสดาเป็นพระสัตธธรพัรธที่ปรากฏจากการตรัสรู้ทุนมเทพระวรกายทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะได้หาทางออกจากความทุกข์ให้กับพวกเราทุกทกคนแล้วก็ถ้าไปหลงทาง ไปเข้าถึงคำสอนที่ผิดผิดหรือว่าถูกบ้างแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะหมดโอกาสนะคะที่จะไปถึงปลายทางแห่งความทุกข์ที่น้อยลงหรือหมดไปอย่างที่พระศาสดาของเราได้หวังจะให้พวกเราได้ประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธอค์เอาไว้จึงได้สอนเอาไว้เนี่ยนะคะในรายการนี้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการก็จะให้ท่านได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรม โดยมีพระอาจารย์ที่นำการปฏิบัติธรรมในคอสปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอทุกๆุกเดือนมาเป็นผู้บอกสอนให้กับท่านแม้แต่กระทั่งขณะที่บันทึกรายการนี้นะคะก็อยู่ในพ่วงเวลาของการที่มีคอสปฏิบัติอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธา น, นีเตรียมตัวกันได้เลยนะคะเพราะการพบท่านนั้นหมายความว่าเราจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันก่อนที่จะไปเข้าสู่ในส่วนอื่นๆค่ะ เราไปกราบนมัสการพระมหาไภัยบูรอ์อาภีปุลโนโด้วยกันเลยคะ่ะกราบนมัสการกันทั้งค่ะเจียมพานเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนั้นเริ่มจากการที่เราตั้งสติเอาไว้การตั้งสติขึ้นนั้นเราก็ต้องมีฐาน น, นฐานที่เราจะใช้ในการตั้งสติขึ้นนั้วก็เราจะใช้กายของเราก็ได้นรใช้ความรู้สึกในกายหรือจะใช้จิตหรือว่าจะใช้ธรรมะในการที่จะตั้งสติของเราขึ้นนั่นก็คือเรื่องของสติปัฏตานทั้งสี่นั่นเอง สติปตาร์ตทั้ง4นั้นก็จะรวมลงมนอยู่ที่ลมหายใจของเราแต่คือเราใช้ลมหายใจของเราในการที่จะตั้งจิตของเราขึ้นโดยการให้จิตของเรานั้นมาอยู่กับลมหายใจทำอะไรก็ตามที่จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเมื่อนั้นสติก็จะตั้งขึ้นดันทีสติที่เกิดขึ้นจากที่เป็นผลของการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราได้สตินั้นก็จะรักษาจิตของเรา ร, เรักษาในการที่จะไม่ให้จิตของเรานั้นไปอยู่ในดินแดนที่เป็นอกุศล ไปคิดในเรื่องที่เป็นการพยาบาทเบียยนแปลงแต่เพราะอย่างน้อยยังมีกายนากายเป็นสิ่งที่เป็นฐานที่ตั้งของจิตได้และเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งเวลาที่เราตั้งจิตไว้อยู่กับกายคือลมหายใจของเรานี้แเราไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมลให้ลมหายใจของเราเป็นอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาพระุทาจึงเคยตรัสตึงเรื่องว่าเวลาที่เราหายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหรือหายใจออกสั้นก็ตามเราก็มีสติอยู่ได้ คือไม่ว่าลมหายใจนั้นจะเป็นสั้นหรือยาวเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยแล้วก็เราไม่ได้สในใจเรื่องของลมหายใจตรงนั้นแต่เรามาสนใจเรื่องของจิตที่จะให้ตั้งอยู yeah. ่ได้กับลมหายใจไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนบางคนเป็นวัดคัจมูกลมหายใจเข้าออกได้แค่รูเดียวแต่เราก็สามารถตั้งสติอยู่ได้เหมือนกันหรือเวลาที่เราตั้งสตินี้ให้เรามาเลกถึงลมหายใจแล้วเราก็เวลาที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ย การที่เราตั้งสติขึ้นนี้อาจจะเป็นการปฏิบัติแบบที่เรียกลำบากหรือเป็นการปฏิบัติแบบที่สบายก็ได้ซึ่งการปฏิบัติลำบากหรือสบายนี้จะให้ผลเร็วหรือให้ผลช้าเราก็จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงวิธีการปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าปฏิปทาอยู่สแบบด้วยกันและได้แบ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่เรียกว่าสะดวกแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ลำบากได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติสะดวกเอาไว้อย่างนี้ว่า โดยปกติบุคคลเป็นคนที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะกล้าก็ย่อมไม่ได้สเสบยทุกขโทมณัตอันเกิดแต่ราคะโทสะและโมหะหนึ่งหนึ่งบางและด่อนั้นพราะสงฆ์จากกามและอรุยสธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเบก เพราะความที่วิตกวิจารณ์ระ ง, งับไปจึงบรรลุฌานที่สองและเพราะความที่ปีติจางหายไปจึงบรรลุฌานที่สามและเพราะความที่ละสุขและละทุกข์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สี่เธออาศัยรมอันเป็นกำลังของพระเสกห้าประการคือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและปัญญาอยู่ นี่คือการปฏิบัติสะดวกส่วนวิธีการปฏิบัติที่ลําบากได้ให้ความหมายเอาไว้อย่างนี้ว่าโดยปกติบุคคลเป็นคนที่มีราคะกล้ามีโทสะโมหะกล้าย่อมได้เสวยทุกขโทมนัตอันเกิดจากราคะโทสะและโมหะหนึ่งหนึ่งบ้างและดังนั้นพิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีการพิจารณาในอาหาร ว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอันหนึ่งวารณะสติของเธอนั้นตั้งอยู่ดีแล้วในภายในและเธอเข้าไปอาศัยทำอันเป็นกำลังของพระเสกให้ประการคือศรัทธาฮิริโอุตปะวิริยะและปัญญา จนบคลเมื่อปฏิบัติในวิธีการทั้งสองเราก็สามารถที่จะบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของสองท่านนั้นได้อธิบายในเรื่องของความบรรลุเร็วเอาไว้อย่างนี้ว่าอินทรีย์ห้าประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเธอปรากฏว่าแก่กล้าเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอสวะได้เร็ว เพราะความที่อินทรีห้ประการแก่กล้าส่วนคนที่บรรลุช้าก็เพราะอินทรีนั้นอ่อนได้อธิบายไว้อย่างนี้ว่าถ้าอินทรีย์าประการเหล่านี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเธอนั้นปรากฏว่าอ่อนเธอก็ได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสินาา้นอสวาได้ช้าเพราะความที่อินทรีย์าประการนี้อ่ อ, น, อนนี่คือเรื่องของ ลักษณะการปฏิบัติทั้งสี่แบบที่เราสามารถปฏิบัติได้สุพรพลค่ะสาธุค่ะเท่ากับว่าถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วที่องค์ประกอบสำคัญที่ท่านบอกว่าคือพวออินรีทั้งห้าเนี่ยนะคะนี่เนย่ยทราบว่ามันเป็นอินรีที่ติดตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเกิดปุ๊บมีปั๊บหรือว่า เป็นอินรีย์ที่เราเพาะบ่มได้ฝึกฝนได้ใ่ะอินรีย์ดูตามศัพท์ก่อนนะคุณหยมติวเราจะจะหมายถึงว่าเป็นความเป็นใหญ่อินรีเนี่ยแปลว่าเป็นใหญนะ่เขาจึงเอามาตั้งเป็นชื่อนกอินรียชื่อปลาอินรีย์อย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นใหญ่ในศสรรพประเภทนั้นๆนะทีนี้อินรีย์ที่เราอาจจะเข้าใจที่ เ, เคยฟังมาจะเป็นอินรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้นะนะเช่นว่าถ้าเราจะเอาตาไปดูรสอาหารเนี่ยดูอาหารบางประเภทว่าเอ๊ะมันจะเข็มมันจะเป็นมันจะเปรี้ยว แหมมันก็ดูดได้ดิ้นนิดหน่อยแต่ถ้าจะรู้ว่าเค็มเกลือหรือเค็มซีอิ๊วต้องลิ้นเท่านั้นดูนะต้องลิ้นเท่านั้นที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นลิ้นเนี่ยจึงเป็นใหญ่เนื่องการลิ้มรสนะไม่ใช่ตานะตาเป็นใหญ่กว่าลิ้นไม่ได้ในเรื่องนี้แต่เพราะฉะนั้นอินรีย์แบบนี้ก็มีนะแต่อินรีย์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคืออินรีเกี่ยวกัความเป็นใหญ่ของใจนะของใจที่จะบรรลุทำได้แต่เพราะฉะนั้นใจของใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะบรรลุทำได้ต้องมีความเป็นใหญ่ใน5อย่างนี้ นะถ้า5อย่างนี้ของคุณมีความแก่กล้านะํามากหรือน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันละ่ะแต่ถ้ามีมากคุณก็จะบรรลุได้เร็วเพรา ะ, ะนั้นที่คุณยมตือถามมาเอ๊ะมันมาเดี๋ยวนี้หรือมันสั่งสมมานะก็ตอบได้เลยว่ามันมีการบ่มฟักมาไดนะ้เราสามารถ บ, บ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าได้แต่ถ้าเราเผลอเพลินมากนะตาหูจมูกลิ้นกายใจงเราเวอะวะอินซะีของเราก็จะอ่อนลงอ่อนลงนะมันอาจจะต่ําลงถึงขนาดว่าไปลด ก, กําเนิดไร้สารไปวิสัยก็เป็นได้นี่ก็ต้อง พิจารณาดูเดนปันค่ะ ส, สาธุค่ะคือที่ดิฉันกลับเดินถามเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาเราได้พบแล้วว่าจะบรรลุเร็วบรรลุช้าอก็มีองค์ประกอบของเขาอยู่และสาระสําคัญนั้นคือเรื่องของอินทรีห้าทีนี้ดิฉันได้ดูว่าในอินทรีห้าเนี่ยคือศรัทธาเป็นเบื้องต้นใช่ไหมคะใช่หรือว่าในองค์ประกอบต่อไปเนี่ยศรัทธาสติ วิริยะปัญญาปัญญามีอะไรหายไปไหมคะนั่นนับนีบก็มีแค่สี่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างมีสมาธิด้วยศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาดูเหมือนกับว่าศรัทธาเนี่ยถ้าเราศึกษาธรรมะของพระศาสดามากเข้ามากเข้าเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธาได้มากขึ้นทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะใช่ใช่มีความมั่นใจค่ะแล้วก็มีความเพียรเนี่ย บางคนเนี่ยโอ้โหทำอะไรก็ขยนันไปหมด น, น, นะคะเป็นคนคนไปนะคะ่ะก็น่าที่จะเป็นเรื่องสะสมพ่อพูณได้สำหรับคนที่ยังรู้ตัวว่าอย่างขยันน้อยถ้าจะเปรียบว่าเป็นความเพียรเป็นความขยันนะคะแต่ว่าในเรื่องของสติะคะ่ะท่านคะก็ที่ท่านให้พวกเราฝึกปฏิบัติในตอนต้นของรายการน่นนก็คือการฝึกสติอย่างหนึ่งถูกต้องถูกต้องสั่งสได้ค่ะสติกับสมาธินี่ก็ใกล้เคียงกันมาก สมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวค่ะคือเหมือนกับว่าเมื่อมีสติดีๆใช่ไหมคะน่าที่จะนำไปสู่กา ร, ารที่เรามีสมาธิไ ด, ได้มากขึ้นแล้วก็ปัญญาอันนี้ก็น่าจะฝึกได้แต่ว่าเราอาจจะสงสัยว่าปัญญาได้จากอะไรเกิดจากการที่เราอ่านหนังสือมากเข้าถึงคำสอนมากหรือว่า เป็นปัญญาแบบพระพุทธองค์ที่เกิดจากการตรัสะรู้รู้เองอะไรเงี้ยค่ะปัญญาอันนี้หมายถึงการที่เราเห็นจริงในเรื่องของสปปรรพสิง่งว่ามันไม่เที่ยงเห็นธรรมชาติของความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆคือถ้าเราจะเห็นธรรมชาติของความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆเนี่ยจิตคุณจะต้องไม่ไปตามไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้ น, นการที่จิตเราจะไม่ไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นแสดงว่าจิตคุณต้องมีที่ตั้งที่มัน่นคงนั่นคือสมาธิต้องมีสติ นะควรจะมีสมาธิมีสตินะคุณคุณมีสมามีสติแล้วคุณจะมีสมาธิได้มีสมาธิได้จิตคุณไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบใช่ไหมพอคุณไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบเนี่ยอะไรมากระทบปุ๊บเราก็เห็นอ๋อนี่มันเกิดได้ดับได้นี่นะอันนั้นจะเป็นปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาในที่นี้ก็จะเป็นผลของสมาธินั่นเองค่ะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าปัญ ญ, ญ, ญาที่ยังการเข้าถึงพระสัทธรรมอ่าก็คือเป็นปัญญาที่เห็นการเกิดการดับใช่ เป็นความไม่เที่ยงใช่ไหมครเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยที่ันเข้าใจว่าบางคนเรียนเก่งบางคนพูดเก่งเจรจาอะไรก็สําเร็จอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็จะไปบอกว่านั่นเป็นคนมีปัญญาซึ่งก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าปัญญาที่พระพุทธองหมายถึงในเรื่องของอินทรีย์ห้าจะเป็นปัญญาในลักษณะนี้ถูกต้องถูกต้องค่ะก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยสั่งสมพวกนี้ได้จากการปฏิบัติธรรมเลยแน่นอนแน่นอนถูกต้อง อันนี้ที่พูดถึงโหมดของการปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าปฏิปทา4แบบเนี่ยคือพระเจ้าจับคู่ในลักษณะที่ว่าปฏิบัติสะดวกก็มีทั้งบรรลุเร็วและบรรลุช้าปฏิบัติลําบากก็มีทั้งบรรลุเร็วและบรรลุชา้าควรจะบรรลุเร็วหรือช้าอยู่ที่อินรีย์ต่เรื่องขอ ง, ของการปฏิบัติลําบากหรือจะปฏิบัติสบายเนี่ยสะดวกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคุณจะบรรลุเร็วหรือช้าเลยเนาะอ๋เอเหรอคะอ่ะ ทีนี้ทำให้บางคนไปเข้าใจว่าอ๋องั้นฉันจะไปโง่ปฏิบัติลําบากทําไมฉันก็ปฏิบัติสบายสิตรงนี้แหละคือประเด็นที่อาณาบาต้องการจะไฮไลท์ว่ามันมันอาจจะเลือกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่สภาวะจิตเนี่ยคุณเป็นแบบไหนอ่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นประเภทที่มีราคะโทสะโมหะกล้านะคืออยู่ที่ธรรมชาติของจิตของเรานะว่ามีอะไรมีอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยคุณจะจีจ๊จ๊าดมากหรือเปล่าแตนะ่ถ้าคุณเป็นคนที่จีจ๊จ๊าดมากนะคุณจะไปทําจิตให้มันเป็นนิ่งไปสงบเนี่ยมัน เขาจะทําได้ยากแต่เพราะนั้นเขาก็จะเข้าทําวิธีปฏิบัติสะดวกได้ยากแต่วิธีสําหรับคนที่มีอะไรมากรอบรกระชีดจัดอยู่เรื่อยเพราะาธรรมชาติจิตเขาเป็นอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะมีราคะโทสะอุหะเกิดขึ้นได้ง่ายะเขาจะต้องมาพิจารณาเห็นความไม่งามในกายนาพิจารณาเหนความไม่เที่ยงเห็นความปฏิกูลในอาหารเห็นความตายสังขารไม่เที่ยงอะไรพวกนี้จะทําได้ง่ายกว่าจะสะดวกกว่าสําหรับเขาค ในทางต้นข้าวนะคุณโยมตืว๋วในทางต้นข้ามถ้าเป็นคนที่แบบจิตมีแนวโน้มในลักษณะที่ว่ามีอะไรมากระทบก็จะไม่ค่อยจิตจัดมากจิตจัดหมายถึงไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเกิดขึ้นมากนะเกิดบ้างนิดๆหน่อยๆนะธรรมชาติของจิตแบบนี้จะค่อนข้างนิ่งได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะสบายจิตก็จะรวมลงไปสมาธิได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะใช้วิธีปฏิบัติแบบนี้ ซึ่งซึ่งสับตรงนี้สับตรงนี้เลยต้องทําความเข้าใจว่าที่ที่เราพูดกันว่าสุขขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็น Rela ทตีฟกันน ะ, นะทุกขาปฏิปทาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทุกคุณจะต้องมาทนทุกทรมานรับทุกขเวทนาไม่ใช่แต่ทุกขะทุก ข, ขังในที่นี้หมายถึงเห็นการเปลี mm ่ยนแปลงนะเป็นปฏิปทาที่คุณจะต้องเห็นการเปลี mm ่ยนแปลงนะก็คือเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองทุกขาปฏิปทา ในขณะที่สุขาปฏิปทานก็หมายถึงว่าเป็นปฏิปทาที่แบบทําให้จิตนิ่งทําให้จิตเป็นอารมณ์เดียวลักษณะ น, น, นั้นออันนี้สําคัญมากนะคะใช่ใช่คือเรื่องก็เพิ่งเข้าใจนะคะว่าทุกขาปฏิปทาในที่นี้หมายถึงว่าเป็นการที่เรามานั่งเห็นความไม่เที่ยงพิจนาเห็นความไม่เที่ยงอืมไม่ใช่ว่าไปบําเพ็ญทุกลุยไฟเพื่อให้เกิดสมาธิไม่ใช่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ค่ะ ท่านฟังที่ครบคะอ่าดี่ขนคิดว่าเราได้ปัญญาพร้อมๆกันสำหรับคนที่ไม่เคยมีความรู้นี้มาก่อนเลยตอนแรกเราก็าอาจคิดว่าที่พระพุทธเจ้าได้ไปปฏิบัติตนตามผู้ที่สแสวงหาทางหลุดพ้นในสมัยอดีตเนี่ยอย่างเช่นพวกพราหมณ์พวกอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะมีวิธีอ่านั่งบนเหล็กแหลมๆท <cały S 2> ี่ น, นั้น<ๆ> <king S 1> เคย อ, าอ่อานพุทธประวัติพระพุทธองค์อะค่ะแม้กระทัเคยลองเสวย ปัสวะอุจาระของตัวเองด้วยนั่นแหละแต่ว่านั่นไม่ใช่หนทางชอันนี้ทุกขาปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าวิธีปฏิบัติถูกต้องข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติทุกขานั้นหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนจิตใจง่ายอืราคะโทสะโมหะแรงให้พิจารณาความไม่เที่ยงของกายถูกต้องอันนี้จะสะดวกสําหรับคนแบบนี้ออดูกระจกแล้วโอ้เหวี่ยงน อนี้เปล่าคะท่านคะ อ, ะอย่างนั้นก็ได้ถูกต้องถูกต้องนะคะอื ม, อมทุกวันเลยโอ้ยผมเราหลุดไปไหนเนี่ยเห็น อ, อย่างนี้เลยเหรอคะถูกต้องถูกต้องอันนี้ไม่ใช่วิธีการก็เรียกว่าทรมานตัวเองให้ลำบากนะไม่ใช่ไม่ใช่อัตากีฬามะตานุโยนที่บริษัทเคยทําค่ะแต่เป็นการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณโยมติว <c oughs> ่า น, นั่นแหละทีที้ท่านบอกว่าเห็นปฏิกูลในอาหารใช่ไหมคะใช่ต้องพิจารณาอย่างไงคะเอาก็ไอ้ที่กินไปนี่แหละมันจะออกมาสภาพยังไงนั่นน่ะ อยาบางคนที่เจอแต่มือหลูทั้งนั้นเลยนะคะโอ<ช>้มือนี้จัดแบบญี่ปุ่นเอ่มันจะออกมาสภาพยังไงเราก็พิจารณาดูเห็นตอนสวยนี่ต้องคิดถึงตอนเละเลยเหรอคะทั้งคะ่ะอันนี้แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนที่เขาจะเห็นความไม่เที่ยงได้นะัคือหนามยอดเนี่ยต้องเอาหนามบ่มนะสำหรับคนประเภทนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าการพิจารณาอย่างนี้จะทําให้เราบรรลุธรรมได้นะคะ การที่คุณจะบรรลุเร็วหรือช้านีอ่อีกประเด็นหนึ่งนะนี่นคือเรื่องของขอินทรีย์ค่ะแต่อันเนี้ยจะสบายสําหรับบุคคลประเภทนี้นะคือถ้าเราพูดกำลังพูดถึงในทางของข้ามคนที่แบบไม่ค่อยจี๊ดจ๊าจอะไรอ่ะจะให้เขามาน้อมจิตพิจารณาเห็ความไม่เที่ยงเนี่ยเขาอาจจะทําได้ยากกว่าการที่ทําให้จิตเขานิ่งด้วยเพราะฉะนั้นการที่ทําให้จิตเขาหนึ่งเนี่ยก็จะสบายกว่าสําหรับเขา โอเคค่ะงั้นที่ฉันทํำความเข้าใจและพูดให้เข้าใจง่ายอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องแบ่งออกเรื่องของปฏิปทาไม่เกี่ยวกันกับความเร็วช้าในการบรรลุธรรมไม่เกี่ยวถูกต้องไม่เกี่ยวความเร็วช้าในการบรรลุจะเกี่ยวกับการที่ท่านมีอินทรีย์ทั้ง5แก่กล้าหรือไม่ถูกต้องนะคะแต่อันเนี้ยกาลังจะพูดวิธีที่เหมาะสมกับคนแต่ละประเภทถูกต้องปฏิปทาเนี่ยเราก็มาพิจารณาเรานะคะว่าเป็นคนแบบไหนถ้าโอ้ยฉัไม่ค่อยสะทุกสะท้านกับอะไรหรอก อันนี้เอาแบบนั่งสมาธิเลยใช่ไหมคะไปเลยทำจิตให้นิ่งสงบเป็นอารมณ์ันเดียวไปอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าแบบอะไรนิดไม่ได้ตื้อจิตคิดมาก <ขอ S 1> คิดเยอะประเภทที่แบบว่าวินาทีนึงคิดสามเรื่องอย่างเงี้ยเห็นตัวาำมาเองนี่ก็เป็นนะวินาทีาคิดสามเรื่องเดี๋ยวก็ต้องคิดงานนั่นนี่อะไรต่างคุณใช้วธิธีพิจารณาอยความไม่เที่ยงซะ เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านพูดนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจี๊ดนะคะหมายความว่าเรื่องมันเยอะใช่เรื่องมันเยอะเรื่องมันเยอะนั่นแหละค่ะซึ่งดิฉันเข้าใจว่าคนเกือบทั้งสังคมเมืองเลยนะคะเนี่ยเป็นพวกเรื่องเยอะแล้วต้องใช้วิธีใช้วิธีพิจารณาความเป็นปฏิกูลใช่ใช่กับพิจารณาสังขารว่ามันไม่เที่ยงรวมถึงการที่เห็นความตายเหระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ อันนี้จะ <Spin> ช่วยได้ถึความตายก็เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ ส, สมาธิอยู่ตรงไหนนะบางคนอาจจะสงสัยอ้าวแล้วคนที่จะบรรลุได้ก็ต้องสมาธิที่เนะีซึ่งตรงนี้แหละสําหรับคนที่พิจารณาเหตุเหตุไม่งามอยู่เรื่อยๆเห็นความไม่จริงอยู่เรื่อยๆเนี่ยไอ้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิของคุณและปัญญาของคุณเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มจะค่อยๆเพิ่มนะ Thom เพิ่มจนแก่กล้าเมื่อไหร่ ม, มันก็จะบรรลุเมื่อนั้น เพราะนั้นสมาธิไม่ใช่ว่าไม่มีสาหรับคนที่เห็นความไม่เที่ยงมีเพราะว่าคนที่เห็นความไม่เที่ยงได้จิตคุณก็ต้องนิ่งไปในระดับหนึ่งจะมาแต่ไม่นิ่งพอไม่มีสมาธิมากพอที่จะถึงกับขนาดบรรลุได้แต่เราก็ค่อยทําไปค่อยทําไปจนกระทั่งอเจ้าสมาธิปัญญาสติความเพียรอะไรพวกนี้มันพอเสมอเสมอกันในระดับที่บรรลุได้มันก็จะค่อยมีขึ้นมีขึ้นเองอ๋องั้นเท่ากับว่าถ้า ใครที่เป็นคนที่จี้จัดง่ายหรือว่าเรื่องเยอะอย่างที่ท่านได้พูดไปแล้วหากได้ใช้วิธีพิจารณาความไม่งามของกายปฏิกรูในอาหารพิจารณาความตายอินทรีย์จะแก่กล้าขึ้นถูกต้องสรุปอย่างนี้เลยค่ะถูกต้องเช่นเดียวกันกับคนที่จิตสงบสงบอยู่แล้วเขาสมาธิมากขึ้นมากขึ้นอินทรีย์เขาก็แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นนะคะคือเลือกวิธีให้เหมาะกับตัวเองใช่ใชแล้วอินทรีย์ที่เป็นปัจจัยจะเกือ้อกูลต่อความเาจริญก้าวหน้าหรือว่าบรรลุธรรมเนี่ย จะมากขึ้นเองถูกต้องนะคะทำนะให้มาโอ้วันนี้ได้รับความกระจ่างมากทีเดียวนะคะ ม, มีประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะซึ่งเป็นบทสนทนาคือที่อยู่ในพระสูตรนี้แหละแต่ว่าอยู่ตอนท้ายๆพระสูตรเป็นบทสนทนาระหว่างท่านพระสารีบุตรกับท่านพระหมหามกรลณนะท่านทั้งสองเนี่ยก็ถามกันว่าท่านบรรลุ ด, ด้วยแบบไหนนะคือทั้งสองคนเนี่ยเป็นเป็นการบรรลุที่เร็วทั้งคู่เพราะใช้เวลา7จ็วันสิวันนะไม่นานบรรลุยังอยู่ในช่วงที่ยังเป็นเป็นวัยหนุ่มอยู่ แ ต, แต่ท่าที่น่าสนใจคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุด้วยวิธีที่เรียกว่าสุขขาปฏิปทาในขณะ Wanna, ที่ท่านพระมหาโมคลานะเนี่ยก็เป็นวิธีที่วา <th> ่าทุกขาปฏิปทาคือทั้งสองคนก็เลยเป็นสุขขาปฏิปทากิปาปิญญาของท่านพระสารีบุตรของท่านพระหมหาโมคลานะ네ก็เป็นทุกขาปฏิปทากิปาปิ <th uk han 2> ญญากิปาปิญญาหมายถึงการบรรลุเร็วแต่ในขณะที่ท่านสารีบุตรเนี่ยเป็นการที่ปฏิบัติแบบสะดวกคือเห็นสมาธิไปเรื่อยทาจิตนิ่งไปลังไปลังไป ในขณะที่ท่านพระมหาโมคลานั้นเนี่ย<ม>เห็นความไม่เที่ยงท่านยังเจอปัญหาเรื่องของตีน้มิตะอะไรต่างๆนะจนกทั่งท่านวางได้ตรงนั้นก็บรรลุขึ้นมาเร็วเหมือนกันทั้งคู่อย่างนี้ค่ะนะคะก็ได้ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ย<ด>บางบางคนไปคิดว่าท่านพระสาริบุตรเนี่ยมีปัญญามากคงจะมีการเห็นความไม่เที่ยงอะไรต่างๆซึ่งใช่อยู่ท่านเห็นแต่ว่าเป็นการเห็นชนิดที่ผ่านทางสมาธิ ปนะานทางสมาธิในขณะที่บางคนก็จะมีความคิดว่าถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติมาแบบสุขาปฏิปทาไม่ได้ทําสมาธิเนี่ยจะไม่ได้มีฤทธิ์ไม่ได้มีอะไรอันนี้เห็นชัดเจนว่าท่านพระหมหาโมกลานั้ น, นเชี่ยวชาญเรื่องฤทธิ์ในขณะเดียวกันท่านก็ปฏิบัติปัทุกขาปฏิปทานะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีสมาธิแต่ว่าอยู่ที่แค่ว่าลักษณะการพิจารณาของเขาเนี่ยจะเป็นไปอย่างไงกันนั่นเองค่นะาาอาจย์ปานค่ะท่านคะฉันเลยอยากทราบว่าเออถ้าอย่างนั้น สมมุติเราเป็นคนที่ยังอยู่ในโลกอยู่ในสังค este. มบางคนเนี่ยมีแชร์กินดีอยู่ดีนะคะอืมคือกินฟุ่งเฟือยมันทุกมื้อที่พบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าจะเป็นความยากลาบากมากไหมคะในการที่จะเจริญในทางธรรมเพราะว่ามันต้องไปพิจารณาเยอะแต่ว่ามันเหมือนกับมันยังมีกามอยู่เยอะนะคะก็นี่แหละคุณโยมติ๋ว่าถ้าเรายังมีความยินดีในทางตาทางหูทางลิ้นอย่างเงี้ย การที่เราจะมายินดีในทางใจยินดีความสงบที่อยู่ในใจเนี่ยจะยากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจึงเป็นการดีสําหรับคนที่ยังยินดีในตาในหูอยู่นะแล้วคุณก็เห็นไอ้ที่ตาที่หูที่คุณเห็นนั่นแหละโดยความที่เป็นของน่าเกลียดโดยความที่เป็นของไม่น่ายินดีนะมันคือเหมือนกับคอยที่จะมาคอยเบียดเราให้ออกจากตรงนั้นแล้วเข้าไปหาตรงที่ความสงบในใจอ๋อค่ะก็เท่ากับว่าถ้าหากว่ารู้วิธีในการที่จะ พิจารณาเพื่อที่จะให้ทำนักเจริญก้าวหน้าไปได้ก็ยังดีกว่าไม่รู้ ใ, ในสภาพบังคับที่ยังต้องอยู่ในสังคมลักษณะอะตรงนี้ก็จึงเป็นที่พระเจ้าสรุปตรงเนี้บอกว่าอาศัยธรรมของพระเสกค่ะนะคือศรัทธาคุณมีศรัทธาใช่ไหมมีอยู่ทําไปนะ่มีเฮริอัตปาคือความกลัวความร้ายต่อบาปก็ทําไปหนะมีความเพียรคุณก็ทําไปแต่สมาธิบางทียังไม่เกิดหนะ่ซึ่งสมาธิตรงเนี้คือเป็นเรื่องของคนที่ค่อยๆทําไปค่อยๆทําไป นะถ้ามันเกิดมีขึ้นเต็มขึ้นก็เป็นส่วนของอินทรีย์ที่คุณจะทําให้คุณบรรลุได้ช้าหรือเร็วขึ้นไปตรงนั้นค่ะนะรายการนี้ดิฉันเข้าใจว่าคนที่ฟังส่วนใหญ่เป็นคนเมืองและเป็นคนที่มุ่นวายกับสภาพแวดล้อมมากดังนั้นก็ไม่ต้องรู้สึกไม่ดีเพราะจะได้กําลังใจที่ท่านพิบูลน์ได้พูดแล้วนะคะว่าเราก็ทําไปพลางทําไปพลางรอเวลาเมื่อเราสับตายะจริงๆคือมันทุกอย่างพร้อมหมดเหมาะสมกับการปฏิบัติทำอย่างเต็มรูปแบบ ถูกต้องถูกต้องก็ค่อยสร้างไปที่เล็เล็กแล้วน้อยจะช่วยได้แน่นอนนะคะรู้วิธีที่ถูกแล้วขอให้กําลังใจให้ท่านได้พยายามกันต่อไปสําหรับผู้ที่สนใจนะคะในะเขาเรียกว่าสุดยอดแห่งธรรมของพระศาสดา ข, ของเราวันนี้ก็กราบน้อสักการขอบพระคุณท่านเพริบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะพระมหาเพริบุญอภิพุรนวัดป่าดอนไฮโซคะ่ะกราบน้อสักการคะ่ะเจ้านท่านวั้ที่รบค่ารายการสรนสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาคงนะคะก็เลือก ที่จะดำเนินรายการในลักษณะที่ให้คำสอนของพระศาสดาองค์สำคัญแห่งโลกที่เรานับถือกันอยู่ให้กับท่านได้ทำความรู้จักเพราะเรื่องอื่นๆเขาพูดกันมากแล้วนะคะในโลกใบนี้แล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนโดยตรงหากนำเอาไปปฏิบัติติดตามรับฟังรายการสัสนิษฐานกันได้เป็นประจำนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟกแห่งนี้สาหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพุท้ทสวัสดีคะ่ะ